ก็รู้ว่าโกรธอย่างนี้เนี่ยดีแต่ถ้าสงบแล้วไม่รู้ว่าสงบเพลินเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะเพราะมันหลงลการปฏิบัติเนี่ยนะหลายคนจะกมหนดที่ความสงบนะแต่การปฏิบัติของวัตถเนี่ยเป็ น, นเรื่องความรู้สึกตัวหรือการสร้างตัวรู้สิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อตัวรู้คือตัวหลง และหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการมีความสุขก็หลงได้มีความสมบก็หลงได้นะเพราะว่ามันเพลินพอเพลินเนี่ยมันไม่รู้ตัวแล้วมันก็หลงงั้นถ้าจะถ้าจะเลือกนะั้นระหว่างสมุกับรู้เนี่ยนะเรามาว่าเอารู้ดีกว่านะเพราะสงกนะมันหลงได้นะ แต่รู้เนี่ยนะคือรู้ตัวเป็นเบื้องต้นเนี่ยมันยากที่จะเปิดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่ายากที่จะเปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามากร้อ ง, งนำจิดใจได้อันนี้การหลับตาเนี่ย ม, มันมันมีควอเสียตรงที่ว่าอา่า โอกาสที่มันจะหลุดเข้าไปในความคิดเนี่ยนะมันก็มีง่ายหลายคนพอหลับตาแล้วมันฟุ้งมากไปเติมมันไม่สงบนะมันตองข้ามอยู่ฟุ้งอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วฟุ้งโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รู้ทันความฟุ้งด้วยแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างนึ่งคือว่า พอสงบแล้วเนี่ยมันง่วงมันก็หลับไ อ, อ้ความหลับนี่มันที่งก่อหลงอยู่นะถึงขนาดตื่นเนี่ยนะยังหลงเลยถ้าหลับแล้วไม่ต้องพูดถึงนะมันซูเปอร์หลงเลยมันดับเบิลหลงเลยนะเพราะนั่นเนี่ยลองลองเปิดตาดูอีกอย่างอประโยชน์การเปิดตาคือว่ามันึกให้เรารู้สึกตัวที่สามารถจะ เราไปใช้กับชีวิตประจําวันได้เพราะชีวิตประจําวันเนี่ยเราเปิดตาเราทํางานแล้วก็เปิดตาเราขับรถแล้วก็เปิดตาเราถูฟันแล้วก็เปิดตาเราอ่านหน้าแล้วก็เปิดตาเ น, นี่ยถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวในขณะที่เราเปิดตาไอ้การที่เราจะทำความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันนี่ยก็เป็นเรื่องหน้าไม่จำเป็นต้องหลับตาหลับตาเนี่ยมันมั น, ม, นมันบง่งมันสอว่าเราเนี่ย ปราถนาควาสมสงบมากกว่าวิจัยธรมาบอกไปแล้วว่าความสงบมีสองแบบสมบเพราะไม่รู้คือแต่การรู้กับสมองอวัยวคือสงบเพราะรู้รู้อะไรคือรู้ทันรู้ทันรู้ทันจิตที่มันกระเพื่อสมส่วนงบแบบนี้เนี่ยมันไม่ลังเกียดการที่จะหูได้ยินตาได้เห็นอะไรก็ตาม ไม่ใช่หูต้องผิดไม่รับฟังเสียงอะไรนะแมนะ่หูได้ยินเสียงไม่ใช่แค่เสียงเพลงอาจจะเสียงเอวรอยนะนรับรู้เต็มหูเลยแต่สงบข้างในะใจไม่กระเพื่องเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้ทานใจ ตัวอย่างที่เป็น ต, ตัวอย่า้าสิมากนะอาตลักก็ามาใช้บ่อยเรื่องหลงปูว่ว ด, ดาใครเคยได้ฟังบ้างเนี่ยจำได้ปะที่ที่เคยมาเนี่ยจาได้ไปู่านี่จได้ใมปู่มาบอกว่าเ อ, อ่คนที่ไม่เคยฟังนะคือ มีคนที่หมหลวงปู่เนี่ยไปฉันเทนนะที่บ้านโยมในกรุงเทพฉันเสร็จหลวงปู่จะกลับวัดอยู่สิงห์บุรีเจ้าของเจ้าพ่อบอกว่าหลวงปู่อยู่เพิ่งกลับเลยมันไกลสมัยก่อนกรุงเทพสิงห์บุรีนี่มันไกลนะ ม, มืนก็แล้วก็ช้าไอ้จาวัดพักผ่อนหน่อยก็จัดห้องให้ท่านพัก ก็มีลูกศิษย์ลู ก, ากนหาไปนั่งอยู่เป็นเพือลูกศิษย์เนี่เยเตรียมใจเวลาคุยกันก็ซิกซาฟแต่บนห้องที่ติดกับหนวงปู่เนี่ยห้องที่ห้องที่ติดกับห้องที่หลวงปู่พังเนี่ยมันเป็นร้านร้านของชำขายของชําเจ้าของเปนคนจีนเป็นอาซิงหรืออาม่านคนจีนสมัยก่อ น, นอันนี้เมื่อห้าสิสปีก่อนนะก็สวมเพียเวลาเดินก็เพียก็ดังยิ่งวิ่งขึ้นบันไดบันไดก็เป็นบันไดไม้เสียงก็ดัง มันก็ดังเข้ามาในห้องที่อหลวงปู่กาลังเอหลังพักผ่อนอยู่รู้สึกก็ไม่พอใจก็ลผลขึ้นมาว่าเนี่ยเดินไม่เก่งใจกันเลยเดินเสียงดังไม่เก่งใจกันเลยหลวงปู่ท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้หลับท่านได้ยินก็เลยเปรยขึ้นมาว่าเนี่ยเขาเดินขเขาอยู่ดีๆเราหูกระรองเกี้ยวตัวเองนะเสียงเกี้ยวกระทบหูไม่มีปัญหา ปัญหาเจอเพราะอะไรโอ้โหไปลองเกี้ยหรือเอาจิตไปจดจ่อยที่เสียงเกลี้ยนะฮะถ้าศักด์แต่ว่าได้ยินเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกแต่เพราะไม่มีสติหูก็เลยเป็นหูหาเรื่องนะี่ได้ยินเสียงเกี้ยแต่ใจสงบเพราะอะไรเพราะว่ามีสตินะ พอใจเนี่ยมันเป็นตัดจอที่เสียงใจงเริ่มเริ่ ม, มหงุดเริ่มกระเพื่อมเพราะเสียงนะอ่าก็รู้ดึงจิตกลับมาสักแต่ว่าได้ยินนี่ระว่าสงบก็รู้หรือสบงบทั้งทั้งที่รู้สงบทั้งทั้งที่รู้คือได้หยินเสียงสงบเพราะรู้เพราะรู้ทันใจที่กระเพื่อมแล้วแต่ว่าจะรู้อะไร เพราะฉะนั้นเนี่ย อ, อย่าไปอย่าไปอย่าไปปิดตาเพื่อจะได้ไม่รับรู้ภาพเพราะตัวภาพหรือรูปมันจะรบกวนจิตใจอย่าไปหาแรงกดติดหูนะมันได้ยินก็สัตว์ว่าได้ยินรักษาใจของเราพอคือบางทีอาจาตย์พูดไม่เช้าสมมุติจินตนาการว่าไอเสียงไ อ, ไอ ยศสายฝนเนี่ยม hmm. ันเหมือนกับเสียงดังหรือเสียงด่าเสียงด่ามากระทบหูสมมุติหลังคาเหมือนกับหูเสียงด่ากระทบหูแต่ว่าใจเราเนี่ยนิ่งนะทำได้นะไม่ต้องเสียงด่าก็ได้เสียงดังเสียงโทรศัพท์เสียงมอเตอร์ไซค์นะมันกระทบหูเหมือนกับสายฝนกระทบหลังคาแต่เราอยู่ ข้างในเราไม่เปรียบเปลี่ยนมันกระจาที่ยังนิ่งนะทำได้ถ้าเรามีสติเป็นเครื่องรักษาใจคราวนี้คำถามฮ mm hmm. ะจะตอบต่อไหมเนี่ยตอบเมื่อกี้คุณได้ถามหยัไม่ตอบคำถาม mm hmm. ว่าอะไรนะ ตอนที่เมื่อยนี่เราเดินกี่นาทีนะยี่สิบนาทีเราเดินท้างกี่นาทีนะอ่ะคือเวลาเราเดินทางเราเดินเล่นเนี่ยเราเมื่อยนะแล้วทำไมถึงไม่ยินงเมื่อยนะฮะอันนี้ต้องถามตัวเราเองนะเราก็เดินแค่ยี่สนาทีเอาคูณสามได้หกิบนาทีอ่ะแต่เวลาเราไปเที่ยวอ่ะแล้วเราเดินห้างเราไปเดิน ตามญ่านสัมสินค้าเนี่ยนะไปไปกินซ่าไปฮ่องกงนี่นะโหเดินกันเปสองชั่วโมงนะไม่เมื่อยเลยทําไมอ่ะใจมันไม่อยู่ที่ขาเนาะฮะใจมันไม่ได้อยู่ที่ขาเออมันลืมมันลืมได้ซ้าหรือว่ามันเพลินนะคือบางทีเนี่ยมันคือใจใจมืนกับว่าบางทีเนี่ยกายเนี่ยเรากายเท้าของเราเนี่ยมันไม่ไม่เป็นอะไรมันเดินได้ไปสองชั่วโมงอะแต่ใจเนี่ยมันไม่ชอบ มันก็เลยไม่เมื่อยง่ายนะนะลองสังเกต ด, ดูนะหลายคนเนี่ยนั่งยี่สินาทีก็เมื่อยแล้วนะนะแต่เวลานั่งเล่นไพ่ทั้งคืนเนี่ยไม่รู้สึกเมื่อยเลยตีดัมมี่นะอ่ะนะอาจเพราะว่าเออมันเล่นไพ่เราเคลินอาจจะเพราะาเราลืมปวดนะใจมันลืมปวดนะ พรใจมันไม่สนใจไข้ที่เราอยู่ในมือเนี่ยมันก็เลยลืมปวดลืมความปวดความเมื่อยที่เท้าเวลาเราไปเดินเที่ยวห้างไปเดินเที่ยวสวนสาธารณะหรือว่าไปเดินท่องเที่ยวท่องต่อท่อ ง, ท, อ ง, ท, อ ง, ท, องทะเลเนี่ยนะใจเราเพลินมันก็ไม่ไปรับรู้ความปวดมันลืมปวดปัญหาของเราคือว่าพอ ใจเนี่ยมันไม่มีอะไรไปตจวจ่อมันก็ไปจับที่ความปวดของเท้าแล้วมันก็เริ่มโบนเริ่มโบยไว้ไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมจริงๆอิงใจมันไหวกายมันหวแต่พอใจไม่สู้นะใจมันไม่ไหวมันก็มันก็สมีปัญหาดวนไปหมดนะประเด็นสิ่งหนึ่งจิตเนี่ยมันไปจับไปจับที่ความปวดของกายแต่ก่อนเนี่ยจิตมันไปจับข้างนอก ใช่ไหมแสงสีเสียงสินค้าตามห้าเพลงที่ได้ยินจิตมันไปจับนั้นมันก็เลยไม่ไปรับรู้ความปวดมันไม่ไปจับที่ความปวดแต่พอมันไม่มีอะไรสนใจนะมันก็ไปจับที่ความปวดแค่นั้นไม่พอนะมันก็บ่นเยอะไม่ไหวไม่ไหวนะฮะแต่พอเราเปรียบเทียบแล้วว่าเราเคยเดินได้ไกลกว่วนี้เราไม่เห็นผนเลยเโอ้มันหายไปเลยนะ ความรู้สึกว่าไม่ไหวมันหายไปเลยเพราะว่ามันเรารู้ว่าเราเคยไอ้หนักกว่อนี้เราเคยทำมาแล้วนะมันได้สติขึ้นมาเลยแล้วมันก็รู้ว่าไอ้ที่จิตเนี่ยมันโกเนี่ยมันมันสำออยหรือว่ามันมันมันมันเท่าๆว่ามันตั้งท่าอยู่แล้วว่าไม่เอาหรือว่าผู้ง่า่คือมันไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น พอใจเราไม่ยอมรับกับอะไรนี่นะเป็นทุกทันทีเลยไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเล็กจะ น, น้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าใจเรายอมรับได้นะมันหนักแค่ไหนมันก็ทนได้คนเป็นมะเร็งนะแต่ยอมรับได้นะมันเป็นธรรมดาก็ก็าอยู่กับมะเร็ง้อยางมีความสุขนะจะเป็ีแนละ้วมันจะตบป่วย แต่ถ้ายอมรับไม่ได้แม้แต่ท่ามสิวนะไม่กีนไม่เปนใบหน้าไม่ก็นอนไม่หลับกินไม่ได้จะตายให้ได้นะผมงอไม่กีดเส้นนะเดี๋ยวยืดไม่เท่าไหร่มันคือพอไม่ไหวนะโอ้โหเล็กน้อยมันก็ไม่เอาสังเกตลูกหลานเราเดี๋ยวมันมันงอแงนะเพราะว่าพอใจมันไม่เอานะมันไม่ไหวนะนิดหน่อยมันก็ไม่สู้นะจริงๆเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าเราเจออะไรอยู่ที่ว่าใจมันเป็นอย่างไรมากกว่านะ เจออะไรก็แพ้ใจทั้งนั้นนะสองจอเนี่ยนะต้องคนตัวใหญ่เนี่ยสนใจแต่ ว, ว่าขอให้ได้เจอสิ่งดีๆนะแต่ลืมไปว่าไอ้จอที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่จอเจอนะต่อจอใจนะถ้าใจเราสงบใจเราสติใจเราอดทนนะเจออะไรเนี่ยมันก็ไม่คุกขหรอกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมา มามามามาให้ความสําคัญกับเรื่องใจนะเพาะนัสูงคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวางใจถูเนี่ยแม้แต่กายแม้ว่ากายจะเมื่อยจริงๆนะมันไม่ฟุบอ่นะมันวางความมันวางมันวางความฟุกของกายได้เหมือนกับอาจารย์คุณเดลสุสุเกยนะ ใจมันไมแดกอะไรใจัพักตลอดเวลาเวลาเดินเนี่ยนะมันมีแตะกายที่เหนื่อยแต่ใจมันไม่เหนื่อยหรอกเพราะใจมันยังได้ไปเดินด้วยแต่ถ้าใจแบกนะแบกเอาแบกอะไรแบกความความเหนื่อยของกายหรือว่าแบกความคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะโอยเหนื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า มีสติรู้ทันใจแล้วแล้วก็ให้ใจมันวางนะไม่ว่าจะวางความปวดของกายหรือว่าวางความคาดหวังต่างๆให้มาสัตว่ารู้เฉยๆใจมันก็ไม่เหนื่อยหรอก หม่ต่อมาก็คนที่นประวัใหม่ต่อมาก็ไม่แนะนำนะให้ไปดูความม่วงก็ดูทีไลมันดูไปทีทีจ้องทีไลน์เนี่ยมันล่อมันหลอให้เราเข้าไปนะเหมือนกับข้างสปสินค้าเนี่ยเขาจะล่อให้เราซื้อก็เป็นแบบฝอยเราดูสินค้าเขาบอกไม่ดูเราฉันแค่ดูฉันไม่ซื้อหราฉันแค่ดูเฉยเฉยอ่ะฉันแค่ไปเดินเฉยอฉยไปดูไปเดินห้างแค่ดูเฉยเฉยเป็ไงเสร็จนะ เพีงแค่กไปดูเนี่ยก็โดนมันหลอกโดนมันดูดนะหลายคนเนี่ยนะบอกว่าจะเข้าห้างนะจะไปซื้อไปฉายจะไปซื้อจะไปซื้อถ่านไฟฉายเนี่ยตกกอเข้าห้างเนี่ยซื้อเยอะแยะไปหมดเลยแต่ลืมซื้อไฟฉายลืม้นะคือมันดูมันดูทั้าไเพราะเนี่ยอย่าอย่าไปใหม่ๆย่าเพิ่งไปดูมันอย่าไปดูความร่วสึอย่าไปดูความคิดอย่าไปดู ตามโกรธเพราะว่ามันมันฉลาดมากในการล่อหลอกเราเพียงแค่เราสบตามันเท่านั้นแหละมันก็จะดูดเราไปหลอกเราไปได้ตามาก็จะแนะนําว่าให้พยายามอันหลังให้มันซ่หรือว่าพยายามหาตัวช่วยเช่นเอาน้ําลูบหน้าเอามือลูบหน้าก็ได้นะหรือว่าทําเขียนอินเทอรดจากนั่งเป็นเดิน หรือว่าทำให้มันไวขึ้นยกมือเนี่ยก็ยกมือมันไวๆแรงๆหรือไม่ให้ก็มองตามองไปไกลๆปกติเรามองพื้นื่าเรามองไปไกลๆบ้างมองไปรอบๆทุกทุกท้่างบ้างอันนี้ก็ช่วยได้คืออยวไปสู้กับมันนะแต่ว่าพยายามที่จะใช้ตัวช่วยเราเมื่อสติเราดีขึ้นแล้วพัฒนาขึ้นเราจะลองทึงลองดูก็ได้ว่าจะรู้ถึความวอไหม นะแล้วก็ถ้ามันถ้ามันง่วงเพราะเบื่ออัตอมาไม่ได้นําให้ตามใจมันเพราะถ้าตามใจมาแล้วเนี่ยเอาหน้ามันจะขออีกเอาหน้าอีกสักหน่อยนะานะทีแรกก็สองนาทีสลับกาสามนาทีคือมันฉลาดมากเลยนะมันจะหาทางเนี่ยคือถ้าถ้าเราง่วงเพราะเราเคลีย นอนไม่พออาตอมาแนะนำให้นอนซึ่งช่วยเนี่ยที่เรานอนเนี่ยนอนพอนพักเนี่ยมันช่วยนะนะเดี๋ยวนี้ตามห้างาห้า ง, างบริษัทหางร้านการชื่อดังเนี่ยอนุญาตให้คนทำงานเนี่ยงีดสักสินาทีนะแล้วการทำงานดีขึ้นแต่ถ้าหากวันเบื่อมันง่วงเพาเบือเเอเบ่อเนี่ยนะอย่าไปยอมมันนะ เพราะว่าคราวหน้านี่มันจะเอาอีกนะมันจะขออีกแล้วก็สุดท้ายเราก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้เลยนี่นนะพอดีทุกอย่างให้ให้ how to ที่เรากำลังทำเนี่ยค่ะมันตอบโจทย์ของของคนที่มาทีนี้ก็เลยคิดว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีอย่างน้อยสี่คนที่เขาผู้เรื่องโจทย์ ต e? ja ัวเองก็เลยอยากให้เขาลองมาบอกว่าเขาเพิ่งเริ่มปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การปฏิบัติเนี้ยมันจะไปไปจนถึงตอบโจทย์เขาได้ยังไงเรามีเวลาน้อยเ่ยค่ะก็เลยอยากให้เหมือนให้พอาจารย์แบบบริฟหนังสือทั้งเล่มให้ดูด้วยก็เลยขอสี่คนที่เมื่อเช้ากรุณาบอกว่ามีโจทย์นะคะได้ช่วยบอกว่าลองชิมบ่ายนี้เนี่ยแล้เป็นยังไงใช่ ม, ามตาะอะไรนะป่าน้องน้องรักใช่ไหมคะที่เมื่อเช้าพูดเรื่องความโกรดเชคะ่ะโอเคคือใบนี้ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงแล้วก็คือถ้าตอบได้เองว่า อันนี้มันน่าจะเป็นทางที่จะแบบแก้โจทย์ที่หนูแบบตั้งเอาไว้แต่แห่งตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณอาจารย์ตอบได้หรือในอีกสามวันนี้เออนจะทำงานกับเรื่องนี้ยังไงเมื่อเช้าเนี้ยน้องน้องหนุน่มพูดเรื่องแบบดีเพลย์เนาะย่อ ๆ, อๆหมอตาเนี่ยพูดเรื่องกำลังแบบดิวกับความคาดหวังของผู้คน ใช่ไหมหมอเ ป, ปิ้ลเนี่ยพูดเรื่องเ อ, อ, อะไรอย่าง<ม>กรวธแล้วก็หลุดออกไปแล้วก็มาโกรธโกรธตัวเองซ<ฮ>้ําอำน้องรัาเนี่ยพูดเรื่องโกรธใช่ไหมครับหนูไม่นแน่ใจว่าหนูอธิบายได้ถูกไหมนะคะภยาสารคือ อ, อทั้งเมื่อเชา้ารู้สึกว่าตัวเองจะจมอยู่แบบเรื่องมีเวแผเรื่องลบกับตัวเองแล้วแล้ว ข, ขึ้นขึ้นยากมากเลยนะคะ แต่ว่าพอตอนบ่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังขุ่นบ่อยครั้งะะนะคะอาจารย์คือเดินไปก็ยังเห็นขากางเกรใหญ่ๆคนข้างๆก็ขุ่ขากางเกงบบเอ๊ะอันนี้ขากรรไกรใหญ่ไปนะก็ไปดูเข้อย่าง <laughs> <laughs> นั้นแล้วยังถางเกงเพื่อนเดินในล่ๆนิรย์ปันก็อ <laughs> ย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาเดินมาดูขาตัวเองใหม่เออเดินซ้ายขาเดินขวาขาเอาอเดินไปสักพักหนึ่ง ไปเห็นที่ไปหยิบขนมฟังกินนะไม่รู้เป็นอะไรเลยค่นะแต่เราหนาันไากินน่ะมีขนมฟังไหมชี้ต่อ <aha. S 1> ตอ่อค่ะอัน้นแล้วก็ออกอีู่ละเราก็ลเลยจะไปกินดีไหมบอกใจเลยเองอผมไม่นะค่ะก็เลยแบบกลับมาเดินกลับมาเดินก็เลยกลับมาเดินม า, าหากลับมาเดินสักพักหนึ่งคิดเรื่องลูกอีกแล้วตอนเย็นเมื่อไหร่จะเลิกนะเมื่อไหร่จะเลิกนะเงี้ย อยากโทรมาสั่งหาลูกเนี่ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็กดอาจารย์ก็ตีระคาคลิ้ ง, งอานสมิดารีบเดินกลับมาเลยเออไม่มีใครเดินกลับมาค่ะอาจารย์อาจารย์เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันแค่สิบนาทีแรก <c oughs> แลแ้วเดินกลับไปคือรู้เลยว่าโอ้โหตัวเองทุ่งซ่า <c oughs> มากเลยค่ะไมมสติค่ะแต่ว่า ส, สิ่งที่ได้บ้างก็คือ เริ่มๆลิ่มเมาเร็วๆขึ้นไวขึ้นแล้วรู้ว่าโอ้โหแต่ละวันเนี่ยมันฟุ้งซ่านได้ได้ไปทั้งอดีตอนาคตด้านข้างได้ง่ายมากเลยค่ะอาจารกับที่ตัวเองเจอค่ะแทบให้ใครทํากับของโมค่ะคือปกติจะเป็นคนคือมองตัวเว่าเป็นคนที่ไหลทางมารมง่ายมาก อันนี้ก็เหมือนกันอย่างเริ่มตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนั้นคือจะง่วงพอง่วงก็จะเบื่อค่ะแต่พอมารอบรอบแรกของวันนี้รู้สึกว่าตัวเองคุมตัวเองได้ได้ดีขึ้คือตัวอไม่ได้ใช้คำคคว่าผมวัดคือดึงตัวเองกลับมาได้ได้ดีขึ้นค่ะแต่พอมันแปลกพอมารอบสองเนี่ยเริ่มสติแตกอยูแล้วแล้วก็ดึงตัวเองได้น้อยลงแต่ก็เลยลองลอ ง, งกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองที่ที่ทำได้แล้วค่ะก็คือ ลองเดี๋ยวก็เด yep, ินเร็วหรือวก็เดินช้ามันก็เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ติตัวเองค่ะแล้วเราก็ตามมันไปเรื่อยๆคะแต half, half, ers, values, ่ว่าตอนท่านั่งเนี่ยก็ตอนแรกยังไม่ได้ฟังคํำถามต่อไนี้ก็เหมืมนคนอื่นที่เป็นค่ะที่หลับตามาเพราะว่าช่วงใหม่เรื่องความง่วงเริ่มมาค่ะก็คิดว่าหลับตา้จะกำเนดตัวเองได้ได้ดีกว่าแล้วก็ก็เพิ่มมาเข้าใจที่ค่ะตอนในอธิบานะคะ มันขอเมื่อเช้าเนี่ยที่บอกว่าตัวเองมักจะติดใจมันก็โผล่ขึ้นมาเงค่ะคือก่อนหน้านี้จำเปนว่าชอบทาทำสมาธิแบบนี้เลยคือชอบนั่งสมาธิไม่ชอบทําอะไรที่ที่จะต้องมากดตัวเองให้อยู่อย่างนี้ค่ะก็เนื่องจากว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนคิดเยอะเป็นคนฟุ้งฉันก็เลยจะเลี่ยงที่จะไม่ทําแล้วจริงๆถ้าทํามันก็เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ มัทุมไปเราถ้าเรารู้ว่ามันทุ่มมันก็กลับมาคือหนูรู้สึกว่าหนูคนสิปีมากกว่าเลยเลยบางอย่างก็เลยไม่ได้สุกพระอาจารยนะคะคือตอนเช้าอตอนที่นั่งไปตอนนั่งทาสิบสี่จังหวนนะนวคะ่ะคือเคยเคยรู้จักสายหลวงพ่อเทียนครั้งแรกที่ว่าท่านแสงเทียนซึ่งก็หลายปีแล้วทีนี้พอมาที่ พอทำไปตอนรอบแรกอะคะ่ะก็มีความรู้สึกเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนันเบาแต่ดูมันเป็นหนักห น, กนะคะ่ะสิบสี่เชือกแเป็นหนักหนกแล้วเบาเบาสบายแล้วก็หายใจโล่งทุกครั้งที่เป็นหวัดโล่งสักพักก็จะมีความรู้สึกอยากจะหลับพยายามจะหลับเสร็จก็เลยกลัวตัว เ, เองหลับก็เลยสลัดความรู้สึกนั้นออกก็เลยหายไปเลยอะคะ่ะและทีนี้ก็เลยกลัวหลับก็เลยนั่งนับเป็นสิบสี่เหวะนับไปตามอะคะ่ะทีนี้พอเดินจงกรมเดินจงกรมไป ก็สงบดีๆอยู่แต่ทีนี้เรื่องไหลเรื่อมันเข้ามาตอนแรกก็เขียนบอกว่าให้รู้ซึ่อๆพอรู้ซึ่อๆมัน ก, ก็เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะเข้ามาในเงี้เรื่องนึ <c oughs> งก็เรื่องนี้ผ่านไปอนุทันแล้วเรื่องที่2เข้ามาม า, มามก ม, ะะมากก็เลยมีความรู้สึกด้ื่ตัวเองเปคนที่ขี้โทรศัพท์ก็เลยรำคาญรำคาญก็เลยพอดีเมื่อไบริการพูดโทรศันะคะอาจารย์ก็เลยพอเงียบไปพอเงียบไปก็เลยอยากจะหลับแทนนะคะแค่นี้ตู้นี่ มีอีกสี่คนที่เคยมาแล้วแล้วก็บอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเชิญกับที่ตั้งคือ <c ười> เดี๋ยวพระอาจารย์ฟังพวกเราแล้วน่าจะได้เลสปอนทีเดียวเ <c ười> ชิญค่ะทีพี่ชวนไว เพื่อเป็นกําลังใจงให้เพื่นอนใหม่การรับราชการพนัาค่ะก็คเคยมาครั้งที่แล้วก็รู้สึกตัวว่าเราตามความรู้สึกได้เร็วขึ้นเช่นว่าเราเรารู้สึกว่าโดดแต่ว่าเราแสดงท่าทีออกไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าพอสักพู่เราเจะได้สติขึ้นมาว่านี่เมื่อกี้นี้เราโผล่นะ นี้นะก็จะทำให้ไม่มีอาการแสดงอื่นที่รนแบบนี้นะแต่ ว, ว่าได้ได้พัเผึง้งไปบ้างแล้วแต่ ว, ว่าตอนนี่เราอยู่ในภาวะที่โกรธก็ตั้งสติกมาได้รื่อขึ้นแต่เรื่องความคงร้าความพิจารณาในชี่ปร น, น, นเด็นแต่ก็พยายามนะหฝึกปฏิบัติได้ฝึกบ้างฝึกปฏิบัติเป็นจมกลมนั่งทำจังหวะบ้างแต่ ว, ว่าก็ยังมีต่อความคิดคงท่า ม, มาเรื่อยเรื่อค่ะ ถามว่ามันดีกว่าครั้งที่แล้วไหมมันคือมันขึ้นลงลงขึ้นลงลงมันก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่าเออมันสงบนะครสงบสักพักหนึ่งก็ดีใจที่มันสงบเกอึอัดแล้วดีใจแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็มีช่วงที่มันมีความรู้สึกอะไรต่างเกิดขึ้นอะไรอะไรเข้ามากระทบมีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นได้ยินเสียงคนคุยกันก็รู้สึกกดี เ, ออเห็นแมลงมันดิ้นดินอยู่บนพื้นเราจะตายนะครับก็สงสารมันแต่ก็คิดต่อว่าเราคงช่วยมันไม่ได้หรอกก็คงตายนั่นแหละแล้วก็เลวันอารมณ์ครับสรุปว่ามันก็จะมีขึ้นลงไปนะครับมีที่มันสงอแล้วมันก็จะมีที่มันที่มันคิดอะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็ชงสิ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยฟุ้งเกิดตลอลดนะฮึหรือว่าพอมาถึง น, น, นาที รอบสุดท้ายมันเวลาเยอะอาจจะเริ่มไม่ไหวนะครับแต่ก็ทาไปนก็ทำไปแล้ว้ามีอันหนึางเป็นคำถามด้วยนะคือมันเป็นความพยายามบอกตัวเองนะครับว่าวางลงวางมัน ล, ลงสิอันนี้นถึงว่าเราคิดแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเราวางไอ้ความคิดนีม้มนลงนะครับบอกตัวเองว่ า, าทําต่อไปนะทาไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังอะไร เพราะว่าเรรู้จากที่พระอาจารย์สอนว่าทำทจรงจริงทาเล่นๆอะไรนี่ครับแป่ว่ามันก็จะพูดกับตัวเองมันก็ไม่ช่ชี้แต่ว่ามันบอกตัวเองว่าให้าทาต่อไปอะไรมา น, นะก็จากที่ปฏิบัติเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีช่วงเผลอะคะก็คือถ้าช่วงไหนที่เราแบบใจเผลอไมคิดะคะมันก็จะเหมือนกับไม่รู้สึกถึงกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่พอเรารู้สึกถึงใจที่มันคิดปึ๊บ เราก็จะรู้สึกว่าตอนเนี้ยขาเรากำลังจะยกกระือเท้าเรากำลังแตะยู่ตอนนีอยู่แล้วก็าาบาง ท, แลแลกทีก็รู้สึกถึงือนการจะปิดตาเวลาหายใจนะคะจากอาจ า, า, ารย์คือเคยถามอาจารย์เรื่องของความรู้สึกตัวทั่วทังร่างมากี่แลคะอาจารย์ว่าเหมือนกับรูทีวีแล้วก็ให้เห็นลุงๆตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเขาจะรู้สึกตัวบ้างหรือยังคือบางครั้งนั่งๆอยู่เนี้ยค่ะก็คือจะรู้สึกว่าตัวเอง ต้นตาหายใจเป็นระยะระยๆวันละหลๆรอบค่ะแล้วก็เวลาถ้าสมมุติว่าเราพูดหรือว่าทําอะไรที่แบบมีสติเน่ค่ะเราจะรู้สึกว่าตอนนี้กายเราเคลื่อนไหวทําอะไรอยู่แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ใจเรผลอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนบางครั้งทําอะไรลงไปเหมือนลนอยๆค่ะไม่ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรไปแล้วเผล อ, อไปปึ๊บพรอ ม, มีสติปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่า ทั้งกายเนี่ยตอนนี้คือเราขยับนะตอนนี้เรามาพูดนะเราปฏิภาณอยู่หายใจอยู่นี่เป็นลักษณะของการเห็นรู้ตัวทั่วพ้อมร้เป็นการกดของร้ความค้าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ใช่เป็นนี่อไปปฏิบัติในที่โ<ม>รงพยาบาลนะคะ า, าการทค่ะจริงๆตัวเองรู้จักกรรมฐ า, านแบบเคลื่อนไหวหามาตสักศิษ 14ปีค่ะจริงๆเนี่ยในเส้นทางนี้มันน่าจะทําอะไรได้เยอะ้รู้ตัวเองไม่มากกว่านี้<ม> อ, อย่างเงี้ยค่ะนี้แต่ตัวเองเป็นคนที่ติดๆกับดาวทำบ้างไม่ทําบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างเมื่อเทียบกับเด็กคือเทียบกับลูกสองคนนะคะคือพอเขาสร้างจังหวเนี่ยเ้าเหมือนเขาทำได้นานแล้วเขาก็อยู่กับอยู่กับตัวเองว่าเสียงในหัวของเด็กอาจจะน้อยกว่าเราหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นคาถามใจตัวเองนะคะคือเด็กเด็กเขาทำได้ได้นานกว่าแม่คือคือ ซึ่งจริผู้ใหญ่น่าจะบอกรู้รับรู้แล้วก็ดึงมาสบมาได้มากกวเด็กทีนี้อย่างของตัวเองนะคะวันวันนี้ช่วตอนที่ทำครั้งแรกน่ะรู้สึกว่ามันมันมันมันเปิดที่ไหนก็มารับรู้รู้ว่าเออฝนมันตกก็คิดละฝนตกน้ำจะล้นบ้านหรือเปล่าก็คุณไปถึงบ้านละเออพอฝนมันตกก็มันหนาวนะ ก็คิดว่าเออเครื่องมหนาวเอามาไหมอันนี้คือคือคือคือคิดไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้เราจังหวะที่เราท่าเนี่ยคือมันไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเอายกมือนะบางอย่างมันทําเหมือนเป็นเป็นออโต้คือคือสิบีจังหวะเราทำเป็นชีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเราถึงใจเราจะคิดไปแต่มือเราก็ยกซึ่งซึ่งความรู้สึกอนี่ยมันไม่ได้มันอยู่กับมือไม่ได้มาอยู่แบบไม่ได้มันอยู่กับตัวเองไม่ได้มันอยู่กับกายในใจมัไปแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เออมันมันดึงแต่แต่มันมันมีตรงที่ว่าพอเรารู้เราเรดึงมันกลับมาง่ายแต่เราไม่ได้ฝึกค่ะเราเราดึงมันกลับมาทันเออรู้ว่าฝนตกเออมันก็แค่ฝนตกรู้ว่าหนาวมันก็มันก็รู้ว่าแค่หนาได้ยินเสียงรถไ่านก็ก็รู้แค่ว่าได้ยินเสียงรถไานนี่พอรอบแรกเนี่ยฝึกพอครั้งแรกฝึกไปแล้วมันมันก็รู้สึกอย่างนี้พอรอบพอไปเดินมันเริ่มดีขึ้น พอรอบที่สามกลับมาเริ่มเป็นเหมือนเดิมจามนานะคะก็เราเรารู้สึกว่าเาว่วงก็เลยเราเรารปิดการราาับนู่โดยการหลับตาหนากกาเดิมอีกพอเขาหลับตาแล้วกินตนาการมันมันไม่เห็นพอไม่เห็นกินตนาการมันก็เลยมันก็เลยเยอะมันก็เลยฟงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่าพอมันผ่านวันที่สองที่สามแล้วก็ทกนนําต่อเนื่องน่าจะดีขึ้นค่ะลงชนใช้คําว่า ติดติดดับๆเพราะว่าทำไม่ต่อเนื่องตอนนี้พี่กลับมาประเด็นของพืนเหมือนกับพืงเนี่ยหวังจากที่ฝึกแล้วเนี่ยก็ก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าถ้าคือการฝึกแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้แล้วมันส่งผลยังไงต่อวาจารยาทีพฤติกรรมหรืออะไรของหนมั้ยคะ อันนี้มีไหมคะมีมีคนพักล่วช่วงมีใจเย็นแล้วก็เดี๋ยวที่ถามคําถามเดียวกับเดียวกันนี้กับหมอประกรณ์แล้วเมื่อก้ตัวเองตอบไปแล้วก็ก็คือที่คือคือมันมีหลุดบ้างค่ะนั่นคือว่าไหนายถึงว่าบางครั้งถ้าเราจากเดิมที่เราเคยเป็นคนโภชนาการสุดก็คือมีอะไรก็รีออกมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มเห็นว่าเวลาเรา โกรมันจะร้อนแล้วก็ใจเรื่อนสั่นแล้วลงใใเห็นแต่ละทีคือความอะไรเงี้ยพอเราเห็นก่อนอันเนี้ยมันก็จะไม่แสดงอาการอะไรออกไปแต่บางครั้งถ้าเกิดเรามีอินหรืออาการมันพุ่งมากๆเนี้ยบางครั้งก็หลุดออกไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าคนที่ที่เคยคอนแทนกับเราก็จะถามว่าไปทําอะไรม า, มาไรรู้สึกเหมือนช่วงนี้เหมือนเย็นขึ้นมาเลยรืออะไรเงี้ยค่ะไปปฏิบัติธรรบ่อยแล้วอะไร ภายนอกไม่มีใครสังเกตหรือทา่าก็ต่างกันเหมือนเหมือนเดิมภายในเนื่องจากว่าไม่ค่อยฝดคกันต้องยอามาับสารค้าจากปีที่แล้วมาปีนี้เนี่ยก็แทบไม่ได้ทำเลยแต่ว่าอะไรที่ทำก็คือครอาจารย์สอนให้ให้เจริญสติการวางการวางสิ่งของอะไรเียพ อ, เ, อ, อเราดึงของบ่อยเราก็จะนึกเ คำผาจานทาทีแล้วก็พยายามมีสติในการวางทีไปแล้ก็ช่วยได้บางีวางุแจะถ้าไม่ตีหาที่ไหนแล้วอ่างเนี่ยพยายามเาวาแล้วก็หายใจเข้าหาออกรับรู้ว่าวางแล้วตรงนี้มันก็ก็ช่วยได้บ้างแต่ถ้าถึงขนาสังเกตแล้วคุณดงสังเกตว่าเปลี่ยนแปลงยังไม่มีนนเลยช่วยคเลยไหมคะถือใ ประเด็นก็กกคือว่าทุกคนมาด้วยโจทย์นะคะแล้วเราก็มีเวลากันสั้นแล้วเราก็มาฝึกแบบนี้วันแรกก็อาจจะรู้สึกอย่างนี้ค่ะฟุ้งไม่สนุกเบื่ออะไรแบบนี้แต่ก็ทั้งหมดนี้คือต้องให้พูดขึ้นมาแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดเพื่อเป็นกำลังใจด้วยว่าวิธีการนี้มันมันต้องหนึ่งมันต้องเอาไปทำต่อเนื่องสองมันเป็นวิธีการที่อาจารย์ชี้ชัดว่า เป็นการรู้สึกตัวเพื่อในชีวิตประจำวันเราก็รู้สึกตัวได้แล้วก็ด้วยการรู้สึกตัวเนี้ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อโจทย์โจทย์ของคนที่มาพอาจารย์เชื่อมโยงใหขคือใหม่ๆเนี่ย <c oughs> มันจะมีอาการหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับใจของเรา ง่วงเรือฟุ้มนะอันนี้เนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าทำไมไอ้ตอนใม่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ฟุ้มขนาดเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ต่างๆมันกบกวนมากมายขนาดนี้ต้องตอบว่ามันเป็นธรรมดามันมันกับบ้านที่เราปล่อยให้คุ่นละกร์หนาะเป็นเส้นนะ่ะ แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทําความสะอาดเราก็เริ่มลงมือปัดกวาดเกิดอะไรขึ้นนะหุ่นก็ฟุ้งใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเอ้ยมันฟุ้ง ม, มากง น, นี้ไอตอนที่เราไม่ทําความสะอาดนี่ดูมันไม่มีอะไรเลยพอมาทําความสะอาดมันฟุ้ง ม, มากอยากกันนั้นเลยหยุดทําดีกว่านะบ้านเราก็จะสกปรปกเหมือนเดิมนะ แต่เมื่อเราลงมือทำความสะอาดแน่นอนนะใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีอาการฟุ้งนะปุ๋ยมันุ้งแต่ถ้าเรายอมยอมทนสักหน่อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความสะอาดนะบ้านก็จะสะอาดนะแล้วก็จะน่าอยู่น่าอาศัยจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับห้องใต้ดินนะที่เราเก็บอะไรต่ออะไรไว้มากมายนะ จนกระทั่งมันก็มีหนูมีมแมลงนะอาจจะมีงูด้วยซ้ําอาศัยอยู่ไอตอนที่เราไม่ไปลือ้อไม่ไปทําความสะอาดนะทุกอย่างก็ดูโอเคนะแต่พอเราเริ่มลื้อแลนี่ยโหยหนูก็ยิ้มพาดเลยบาีงูก็โผล่มาแล้วโอไม่ไหวเวยอย่าทำเลยทิ้งไว้อย่างนั้นนะดีกว่าเป็นางานมันก็จะสะปะปะกปรกยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มทําความสะอาดนะจะเป็นการปัดกวาดพื้น หลังจากที่คุณก่อมาเป็นปีๆหรือทำความสะอาดห้องที่ปล่อยทิ้งรกเอาไว้นานเป็นที่สิบปีนะมันก็ต้องเจอนะอะไรต่ออะไรที่ไม่อยากจะเจอแต่ว่าทำไปสักพักเนี่ยถ้าทนหน่อยนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามเราคือบ้านที่สะอาดนะหรือว่าห้องที่มันหมดจดหน้าอยู่หน้านอาศัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะไม่มี สัตว์ลายหเยอะเขี่ยวขอมาอาศัยนะมาหลบซ่อนทำอะไรก็ตามนะใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่ยากที่สุดเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับความเคยชินเดิมๆไอ้ช่วงที่มันเป็นช่วงที่ยากคือช่วงที่เป็นหัวเรื่ อ, อต่อถึงแม้ว่า มันจะนำถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราปรารถนาแล้วเราเชื่อว่ามันดีแต่แล้วก็ตามที่มันไปช่วงเลียวต่อเนี่ยมันยากเสมอเด็กที่อยู่ในครรภ์นเนี่ยนะเวลาจะเอาเขาออกมาจากท้องแม่เนี่ยนะในเมื่อมันครบกาหนดแล้วเด็กจะเป็นยังไงเด็กจะต่อสู้เด็กจะริกรนเด็กจะพยายามต่อต้านนะ ไม่อยากจะออกมาเพราะเด็กรู้สึกว่าไอ้ของเดิมเนี่ยในท้องแม่มดีอยู่แล้วสบายใช่ไหออกมาทำไมแต่ต้องออกนะไม่ออก ก, ก็เสร็จนะแต่เด็กไม่รู้หรอกเด็กก็ต้องยาเด็กก็จะยากต่อสู้ผัดผงเด็กไม่รู้หรอกว่าข้างนอกนมันสบายกว่าข้างในอิสระกว่านะ <c oughs> นั้นเด็กทุกคนนะพาวลุทุกคนจะต่อสู้ ไอ้ช่วงที่ยากเนี่ยคือช่วงที่เด็กเนี่ยจะออกมาจากโลกเก่าสู่โลกใหม่เด็กอยู่โลกเก่าไม่ได้แนละ้วคือพ่อมแม่แต่เด็กก็ไม่ยอมที่จะออกมาสู่โลกใหม่ต่อสู้แต่เราซึ่งเป็นหมอเป็นพยาบาลเรารู้ว่าต้องต้องต้องฝืนใจเด็กนะเด็กไม่อยากออกมาเราบอกต้องออกมาใช่ไเด็กพยายามต่อสู้ขัดขืนเราบอกไม่ได้ ต้องออกมานีคือนี่คือหน้าที่ของหลอโเพียบบาลจะตามใจเด็กไม่ได้เด็กทุกคนไม่อยากออกมหรอกแต่ออกมาแล้วปเป็นไงเด็กก็ทีแรกก็ร้องอูแวอูแวเด็กตกใจให้โลมใหม่ที่ไม่เคยเจอแต่พอเด็กอยู่ไปแบบเออมันดีอข้างในนะใจเราก็เหมือนกันนะจะออกมาเนี่ยช่วงเวลาต่อเนี่ยมันไม่ยอมขัดขืนจิตของเราเองนะมันต่อสู้ขัดขืนมันพยศนันโวร สิ่งที่เกิดขึ้นเราคือมันปวนมันพยายามต่อต้านความเปลี่ยนแปลงแล้วมันอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าสิ่งใหม่มันดีกว่าหรืออาจจะรู้แต่ว่าความเคยชินเดิมเดิมคนที่ติดยาติดบุหรี่นะก็รู้นะว่าถ้าเริ่มเมนะื่อไหร่เนี่ยโอ้มันสบายแต่พอจะเริ่มนี่แหละโอ้มันมันปวดหน้าดูเลยใช่ไหมลงแดงสารพัด แต่ถ้าไม่ใจแข็งพอนะั้นยอมแพ้กลับไปกินเหล้าสูบบุหรี่ดีกว่ามันจะได้หายลงแดงก็เสร็จนะเราต้องใจแข็งนะต้องอดทนต้องมีศรัทธาว่าข้างหน้ามันดีกว่าถ้าเลิกได้เนี่ย <c oughs> มันมีความสูขมากเลยศรัทธานเนี่ยนะหรือความมั่นใจนะว่าข้างหน้ามันดีในทําให้เราเนี่ยยอม คนที่ติดยาติดเหล้าติดการพนันมันมีแรงต่อต้านนั้นนะเป็นอาการของความปนข้างในแต่เราเราอย่ายอมแพ้นะต้องต้องอดทนต้องใจแข็งต้องพยายามแล้วพอผ่านได้มันก็สบายไอ้ช่วงสองสาวันแรกเนี่ยนะจิตมันจะปวดจิตมันจะเพรมยวสรพัดเลยเหมือนคนที่ลงแดงอ่ะนะ เพราะว่าหักดิบนะอย่าว่าแต่เล่าบุหรี่เลยถ้าจะแฟงนี่ก็ทำให้ปูนได้เหมือนกันแต่ถ้าเราผ่านช่วงนั้นไปได้จะสบายนิสัยใหม่กพระเรานิสัยเ ก, ก่ามันตายยากโอห์บ oh, นะิสไดฮาร์มมันจะพยายามดึงเรากลับมานะ เรารู้วนะ่าเนี่ยไอ้ความอาการเนี่ยมันเกิดจากการพยายามต่อต้านสิ่งใหม่พยายามจะกลับไปสู่สิ่งเดิม <c oughs> อ่ะเรก็ก็ตมม้องดงมันนะถ้าเราทำคนเดียวอาจจะทำไม่ไหวอาจจะยอมแพ้แต่เราทำกันหลายคนเนี่ยนะจะช่วยเป็นกำลังใจงกันและกันสามวันเนี่ยนะคือช่วงที่ลำบากเป็นเมจิกน u m เบอร์นะเลขสาม ทำแล้วก็ตามคนที่อดอาหารเนี่ยจะรู้สึกเลยนะสามวันแรกเนี่ยโอยทรามานมากเลยพวกดีทอกเนี่ยนะพวกที่ไปเดินธรรมยายตาจะรู้เลยสามวันแรกเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อมันลำบาแต่พอผ่านวันที่สได้มันจะเริ่มเข้าที่มันจะสบายนะส่วนใหญ่เนี่ยนะสามวันแรกเนี่ยคือช่วงคุณเรีวรวกว่าต่อมัะมาเรียก่าเป็น m a จิกนัมเบอร์ถ้าผ่านเลขสาไปได้เข้าถึงเลขสี่โอ้เริ่มสบายนะ นี่เราก็ถามมาได้หนึ่งในสามนะนะอีกสองวันนะสู้ก็ไปอย่าไปย้อนสู้ก็ไปอย่าได้ถอยนะะพี่น้องคอยเราอยู่นะสู้ก็ไปอย่าได้ถอยนะพนะี่น้องคอยเราอยู่ข้างหลังนะรอที่จะเห็นเราคนใหม่กลับมานะถ้าเรา มาอยู่นี่สี่วันนะยังเหมือนเดิมนี่แสดงว่าโหเสียเวลามากเลยนะแต่จะต้อ ง, งไปสนใจนะว่ามันจะใหม่หรือเก่าเอาแค่ว่าผ่านผ่านวันนี้ให้ได้ผ่านเย็นนี้ให้ได้ผ่านคํานี้ให้ได้ก็อจริงๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ต่างจาก ปฏิบัติเจอสิมันก็ไม่ตายจากว่าน้ำด้วยขี่จักรยานนะพเรามีใครว่ายน้ําเป็นบ้างตอนใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นอนะมือคนที่ว่ายน้ําเป็นเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่ามันไม่ชอบวันแรกเป็นนะโอ้มนต้องมันต้องมันต้องโทนกับการที่สำลักน้ําจมน้ําแต่พอไม่ถอยเนี่ยก็ว่ายฝึกไปเรื่อยๆที่วันเป็นนะั้นว่ายน้ําเนี่ย สามวันใช่ไหมไม่เนี่ยมันยาวกว่านั้นนะเอาขี่จักรยานก็้ลยขีจักรยานไงวันแรกเป็นใช่ไหมขี่จักรยา น, นยจำได้ไหมตอนเด็กอะไม่เป็นนะฮนะหลายวันนะต้องล้มแล้วอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมถอยล้มก็ลุกขึ้นมานะตอนที่ขายจักรยานหัมันไม่ค่อยมั่นใจเลยมันจะทําได้หรือเปล่าหนะัวเพราะมันสั่นเกรงเพราะเราไม่รู้วิธีส่งตัว พอเรารู้ที่ีทรงตัวนะสบายแนละ้วไอ้ตอนที่จะรู้ทีธีทรงตัวเนี่ยมันหลายวันเพราะม่มันมันเกรง็งมันจับแฮงมันเกรง็งตัวก็เกรง็งทรงตัวให้พอดีพอดีเนี่ยนะมันใช้เวลาหลายวันมันไม่ได้ใช้สายความคิดนะคุณคิดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ช่วยทำให้คุณทรงตัวได้ดีเลยคุณต้องทดลองลองผิดลองถูก เจริญสตินี่นะมีความสุตัวเนี่ยมันคือการส่งใจให้ได้สมดุลไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอแค่นั้นเองส่วนใหญ่เนี่ยนะตอนใหม่ๆตอนที่ไม่ปฏิบัตินะ่ะเผลอตะพึ่งตะคือเลยพอมาปฏิบัตินะ่ะกูจะเพ่งอย่างเดียวจะบังคับจิตอย่างเดียวเหตุเราทำการเจริญสติทําความสุดตัวคือสรงใจให้อยู่กลางๆไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่ง เมือนขีจักรยาเลยคุณต้องทรงตัวให่พอดีพอดีไม่ซ้ายไม่ขาถ้าคุณเอียงซ้ายไปคุณก็ล้มคุณเอียงขวาไปคุณก็ล้มแต่ว่าคุณทรงตัวได้นะคุณจะเอียงยังไงมันก็ไม่ล้มนะคุณจะเอียงยังไงก็ไม่ล้มคุณปล่อยหันก็ไม่ล้มนะเพราะคุณทรงตัวได้ถามว่าทรงตัวยังไงเนี่ยน้องถามคุณลูกถามคุณทรงตัวยัไงคุณตอบไม่ได้ คุณอธิบายไงคือคุณก็ไม่เขาลูกก็ไม่เข้าใจน้องก็ไม่เข้าใจว่าทรงตัวนี่เขาได้สมบูรเป็นยังไงต้องรองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแ ค, ค่สื่อนลอยใช่ไหมภาษาแค่สิ่อนโลอยใช่ไหเออนี่แหละนะมันต้องทดลองมันต้องทำนะไม่มีทางลับต้องทําอย่างเดียวต้องผ่านการลม้มต้องผ่านการสํารับน้ำนะจนในสิ่งนี้ก็ต้องผ่านความน่วงผ่านความเบื่อผาความฟุ้งซ่านสารพัด แต่ถ้าคุณพามาได้เนี่ยคุณจะไปชชลุยเลยนะการการบอกตัวเองนี่ก็เหมือนกับการเพ่งยังไการบอกตัวเองก็เป็นการให้กาลังใจได้เป็นการจะเป็นโยนทิศสมนัสสิการก็ได้เช่นบอกว่าเออคิดไปทําไมเรื่องลูกเรื่องงานอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเมื่อรถติดน่ะกังวลก็บอกไปว่ากังวลทําไมกังวลไม่ทําให้ไฟแดงมาเจอไฟเขียวเร็วขึ้นเลยไม่ทําให้รถไปเร็วขึ้นกังวลทําไมใช่ไหม ห ร, ỏ, หรือบอกหรือบอกตัวเองว่าเวลามีป so ัญหากู้หมวกกุ้มใจก็บอกตัวเว่าปัญหาใดถ้าแก้ได้เนี่ยจะกังวลทําไมแล้วถ้าแก้ไม่ได้มีประโยชนอะไรที่จะกังวลนะใช่ไหมปัญหาถ้าแก้ได้กังวลทําไมถ้ามันแก้ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ใช่กังวลน่ะมีประโยชน์ใช่ไหมเรากังวลทําไมก็เนี่ยบอกตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเข้อคิดตั้งใจก็ทําให้คลายความกังวลได้แต่ว่าพยายามใช้ ควาิดให้น้อยลงพยายามใช้ความใช้ใจให้มากขึ้นพยายามแขวนการตัดสินการตัดสินเสียงดังเราหมุนหิดเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ควรไม่ควรส่งเสียงดังไม่ควรคุยไม่ควรโทรศัพท์ไอ้คำว่าไม่ควรไม่น่าจะเนี่ยมันทำให้เราหมุนหิดเราแขวนนะครั่อยู่ตัดสินห้อยการตการตัดสิน ไม่มีคาว่าไม่ไม่ต้องไปตัดสินว่าถูกหรืผิดปฏิบัติเรเรศินะลองทิ้งเรื่องความผิดความถูกลงไปแล้วเราจะเบามากขึ้ น, นวางความคาดหวังออกไปความคิดนึกต่างๆเดินส่วนใหญ่เนี่ยเราเวลาเราทุกข์ก็เราคิดทั้งนั้นเนี่ยฝนตกก็คิดแล้วว่าน้ำจะท่วมบ้านเ่อาตากผ้าไปทำยังไงดีคิดทั้งนั้นเน่ะ เลยตระมว น, นเราลองวางความคิดดูแล้วก็ให้แฝงการตัดสินไม่ต้องไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งสิ้นเดินหน้าไปอย่างเดียวแต่ใหม่ๆก็า ย, ยากนะเพรเราชอบตัดสินเราชอบตีค่าอันนี้ก็เป็นนิสัยเดิมที่เราต้องต้องพยายามที่จะข้ามไปให้ได้มันมีประโยชน์นะแต่ว่าอย่าให้มันมามาครอ่อบมันติตจนกระทาั่งเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่ามีแต่คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าเลย ที่ที่ไปที่ทุกเพราะว่าไปว่าคนไายแล้วเนี่ยก็ยังเสียใจเขาคิด่าไม่น่าเลยจับไม่น่าทําเลยมันทําไปแล้วอะนะพอคําว่าไม่น่าจับมาซ้ําเติมโดยตีตัวเองนันก็เลุดจากความเครียดความมุ่ได้ทันทีหมอประกอบเป็นตัวแทนก็เลยจะประกันอะไรยังไม่ทันจะกล<ะ>ับเลยถวายเลย